6. ชัตวัค 1. น, นิยามกถาว่าด้วยนิยาม445สกนิยามเป็นสภาวธรรมที่มีถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตะใช่ไหมปอรอใช่สกนิยามเป็นนิพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีสองอย่าง ที่เร้นมีสองอย่างที่พึ่งมีสองอย่างที่หมายมีสองอย่างที่มั่นมีสองอย่างอัตะมีสองอย่างนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปอรรใช่สกนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเร็วและความประนีความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่าง ร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมป ร, รใช่สกมีบุคคลบางพกูกก้าวลงสู่นิยามได้นิยามให้นิยามอุบัติขึ้นให้อุบติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดียดใช่ไหม ปรใช่สกบุคคลบางผู้ก้าวลงสู่สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้สภาวะธร ร, รรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บงั ض, บงเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๔๖ สกนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกโซดาปฏินิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโซดาปฏิมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกโซดาปฏินิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสกทาคามินิยามอนาคามินิยามอรหันตนิยามเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกอรหัตมรักเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอรหัตมรักเป็นสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่ สกอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโสดาปฏินิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอรหัตตนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีห้าอย่างใช่ไหมปอร์ใช่สกที่ต้านทานมีห้าอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีห้าอย่างใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอร์ใช่สก นิจฉาตานิยามเป็นสภาวธรรมที no like ่ไม่ถูก <month> ปัจ <từ> จัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิจฉาตานิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสมัตานิยามเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น447ปรท่านไม่ยอมรับว่า นิยามเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปรเมื่อนิยามเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นนิยามจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรรเมื่อมิจฉัตานิยามเกิดขึ้นแล้วดับไปบุคคลก็ยังเป็นผู้ไม่แน่นอนอยู่ใช่ไหม สกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นมิฉะนตะนิยามจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิยามมรราจบ2ปฏิจจสมุ ป, ปาทกถาว่าด้วยปฏิจสปปสฏจสมุปาทสี่ร้อยสี่สิบแปดสกปฏิจจสมุปาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นในสังคตะใช่ไหม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 ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปอรอใช่สอกอนิพพานทั้งสองอย่างยังมีความสูงต่ำความเลวและความประนีความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น449๙สอกอ ปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกอวิชาเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอวิชาเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกปฏิจจสมุบาทเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม <departed? |mt|>. HS, ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั delayed delayed ้นสกปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสังขารที่เกิดเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ป hmm. รใช่สกปฏิจจสมุบาทเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณที่เกิดเพราะสังขารเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนามรูปที่เกิดเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกปฏิจจสมุบาทเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกปฏิจจสมุบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปอรอใช่สกชรามรณะที่เกิดพระชาติเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนชรามรณะที่เกิดพระชาติเป็นปัจจัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งออใช่ไหมปรใช่สกปฏิจจสมุบาทเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น450๐ปรท่านไม่ยอมรับว่าปฏิจจสมุปบาทเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปรพระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายชรามรณะที่เกิดพระชาติเป็นปัจจัยพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตาม ธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วโดยแท้เป็นเหตุความดำรงอยู่แห่งธรรมเป็นเหตุกําหนดความแน่นอนแห่งธรรมคือความที่ธรรมนี้เป็นปัจจัยพระตถาคตตรัสรู้ยิ่งได้บรรลุธาตุนั้นครั้นตรัสรู้แล้วจึงตรัสบอกทรงแสดงบัญญัติก่อตั้งเปิดเผยจาแนกทำให้ง่ายขึ้นตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูชรามรณะที่เกิดพระชาติเป็นปัจจัย ชาติที่เกิดเพราะพบเป็นปัจจัยสังขารที่เกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยพระตถาคตทั้งหลายจะอุบัติหรือไม่อุบัติก็ตามธาตุนั้นได้ตั้งอยู่แล้วโดยแท้และตรัสว่าเธอทั้งหลายจงดูสังขารที่เกิดเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยดังนี้แหลภิกษุทั้งหลายความจริงแท้ความไม่ผิดความไม่เป็นอย่างอื่นคือความที่ทำนี้เป็นปัจจัย มีอยู่ในสภาวะธรรมนั้นด้วยประการฉนิอันนี้เราเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรดังนั้นปฏิจจสมุปบาทจึงเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง451สกความดำรงอยู่แห่งธรรมความกำหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปบาทข้อว่า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 ที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพานมีสองอย่างใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสคความดำรงอยู่แห่งธรรมความกำหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปาทข้อว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความดำรงอยู่แห่งธรรมความกำหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปาข้อว่า เพราะสังข า, ารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีนั้นเป็นสภาวธรร uh มที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอรใช่ยสกอสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสามอย่างใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกอร์สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสามอย่างใช่ไหมปอรใช่ยสกอ ที่ต้านทานมีสามอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสามอย่างใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความดำรงอยู่แห่งธรรมความกาหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปบาทข้อว่าเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีนั้นเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งความดำรงอยู่แห่งธรรมความกาหนดความแน่นอนแห่งธรรมในปฏิจจสมุปบาทข้อว่า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 สภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสิบสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสิบสองอย่างใช่ไหมปรใช่สกที่ต้านทานมีสิบสองอย่างที่เร้นมีสิบสองอย่างช่องว่างแห่งนิพานมีสิบสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปฏิจจสมุปาทกถาจบ สสัจจกะถาว่าด้วยสัจจ452สก45สัจสี่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังคตะใช่ไหมปอรอ์ใช่สกที่ต้านทานมีสี่อย่างที่เร้นมีสี่อย่างที่พึ่งมีสี่อย่างที่หมายมีสี่อย่างที่มั่นมีสี่อย่างอมตตมีสี่อย่าง นิพพานมีสีอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอนิพพานมีสีอย่างใช่ไหมปรใช่สอกอนิพพานทั้งสี่อย่างยังมีความสูงต่ำความเลวและความปราณีความยิ่งและหย่อนเขตแดนความแตกต่างร่องรอยช่องว่างอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ ทุกข์ษัตริย์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกทุกขเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกข์กษัตริย์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกทุกทางกายทุกทางใจความโศกความคร่าครวญความลําบากกายความลําบากใจ ความคับแค้นใจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมุทยสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสมุทัยเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมุทยสั์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรใช่สกกามตัฐหาภวะฐาหาวิภวะฐานหาเป็นสภาวธรรมที itch, g, ่ไม่ถูกป <the> ัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมักศักดิ์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกมักเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ม problem, mm. ักขสัตเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกข์เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกทุกขสัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกทุกทางกายทุกทางใจความโศกความแคล้มครวญ ค, ความลําบากกายความลําบากใจความคลับแค้นใจเป็นสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอร์ใช่สกทุกขสัตเป็นสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก สมุทัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สอกสอมุทยศาสตนนาว์วตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกามาติหาภวติหาวิภวติหาเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สอกอสมุทยศาสตว์ เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกมัคขิัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่ สกรมรรคสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น453สกนิโรธาสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรรใช่สกทุกสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ทุก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกสมุทยาสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสมุทัยก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธาสัจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกมัคขสัจเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมัคก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ทุกขสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่ทุกขเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกนิโรธสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่นิโรธเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสมุททยาสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง แต่สมุทัยเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช <complaint. S 1> ่ไหมปไรใช e. ่สกนิโรธาสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่นิโรธเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมักขัสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่มักเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่ สกนิโรธสัตว์เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแต่นิโรธเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น454ปอรอท่านไม่ยอมรับว่าสัจจะสี่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปอรอพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิษุทั้งหลาย Palm, สัจจะสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสัจจะสี่อย่างอะไรบ้างคือหนึ่งคำว่านิทุกข์เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นสองคำว่านี้สมุทัยสคําว่านิทุกขานิโรธสคําว่านิทุกขานิโรธคาไมนีปฏิปทาเป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นภิกษุทั้งหลาย สัจจะสี่อย่างนี้เป็นของแท้ไม่ผิดไม่เป็นอย่างอื่นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรอดังนั้นสัจจะสี่จึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสัจกถาจบสี่อรูปกถาว่าด้วยอรูปฌานสี่ร้อยห้าสิบห้าสก อาการสาญจายตนะฌานเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นในสังฆตะใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อาการสาญจายตนะฌานเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมะตะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ที่ต้านทานมีสองอย่างช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อาการสานัญจายตนะฌานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สอก อ, อาการสานัญจายตนะฌานเป็นภพเป็นคติเป็นสตาวาสเป็นสงสารเป็นกําเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัตภาพใช่ไหม ปอรอใช่สกสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นภพเป็นคติเป็นส ต, ตาวาตเป็นสงสารเป็นกำเนิดเป็นวิญญาณติติเป็นการได้อัถภาพใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงอากาสารนัญจายตนะฌานมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก กรรมที่เป็นเหตุเข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสัตว์ผู้เข้าถึงอากาสา น, นัญจายตนะฌานมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกสัตว์ผู้เข้าถึงสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอากาสา น, นัญจายตนะฌานมีสัตว์เกิด แก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมป ร, รใช่สกในสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีสัตว์เกิดแก่ตายจุติปฏิสนธิใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอากราสานัญจายาตนาชานมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมป ร, รใช่สก ในสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อากาสารนัญญาตนาชาญเป็นภพที่มีขันศีใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นภพที่มีขันศีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสี่้อยห้าสิบหก ปรท่านไม่ยอมรับว่าอรูปฌานสี่เป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปรอรูปฌานสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่หวั่นไหวมิใช่หรือสอกอใช่ปรหากอรูปฌานสี่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นธรรมไม่หวั่นไหวดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่า อรูปฌานสี่เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอรูปกถาจบหนิโรธาสมาปฏิกะถาว่าด้วยนิโรธาสมาบัตสร้อยห้าสิบเจ็ด สกนิโรธาสมาบัตเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตะใช่ไหมปรใช่สกนิโรธาสมาบัตเป็นนิพพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกนิโรธาสมาบัตเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 สกนิโรธสมาบัตเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกบุคคลบางพวกเข้านิโรธาสมาบัตได้นิโรธสมาบัติให้นิโรธสมาบัตอุบัติขึ้นให้อุบัติขึ้นด้วยดีให้ตั้งขึ้นให้ตั้งขึ้นด้วยดีให้บังเกิดให้บังเกิดโดยยิ่งให้เกิดให้เกิดด้วยดีมีอยู่ใช่ไหมปรใช่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 ความผ่องแผ้วความออกจากนิโรธสมาบัติปรากฏได้ใช่ไหมปอรอใช่สกความผ่องแผ้วความออกจากสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งปรากฏได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวจีสังขารของผู้เข้านิโรธสมาบัติอยู่ดับไปก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับต่อจากนั้น จิตตสังขารจึงดับใช่ไหมป ร, รใช่สกวจีสังขารของผู้เข้าสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอยู่ดับไปก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงดับต่อจากนั้นจิตตสังขารจึงดับใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจิตตสังขารของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงเกิด ต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิดใช่ไหมปอรอใช่สกจิตสังขารของผู้ออกจากสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นก่อนต่อจากนั้นกายสังขารจึงเกิดต่อจากนั้นวจีสังขารจึงเกิดใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกภาษาทั้งสามคือหนึ่งสุญญตาภาษะ สองอนิมิตาพัสสะสอปนิหิตตพัสสะย่อมถูกต้องผู้ออกจากนิโรธแล้วใช่ไหมปอรใช่ยสอกอพัสสะทั้งสาคือหนึ่งสุญตตาพัสสะสองอนิมิตาพัสสะสอปนิหิตตพัสสะย่อมถูกต้องผู้ออกจากสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ จิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกโน้มไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปอรอใช่สกจิตของผู้ออกจากสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วย่อมน้อมไปสู่วิเวกโน้มไปสู่วิเวกโอนไปสู่วิเวกใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น๔๕๙ปอรอท่านไม่ยอมรับว่า นิโรธสมาบัตเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกใช่ปรรนิโรธสมาบัตเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรรดังนั้นนิโรธสมาบัตจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิโรธสมาปติกถาจบหก อากาศกถาว่าด้วยอากาศ460สอก อ, อากาศเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังขตะใช่ไหมปอรอใช่สอก อ, อากาศเป็นนิพานเป็นที่ต้านทานเป็นที่เร้นเป็นที่พึ่งเป็นที่หมายเป็นที่มั่นเป็นอมตะใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 ช่องว่างแห่งนิพพานมีสองอย่างใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อากาศเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมปรใช่สกมีบุคคลบางพวกทำสิ่งที่ไม่ใช่อากาศให้เป็นอากาศได้ใช่ไหมปรใช่สกมีบุคคลบางพวกทาสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ให้เป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกมีบุคคลบางพวกทําอากาศไม่ให้เป็นอากาศได้ใช่ไหมปรใช่สกมีบุคคลบางพวกทําสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งให้เป็นสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในอากาศ นกทั้งหลายบินไปได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรไปได้ดวงดาวทั้งหลายโคจรไปได้ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแกว่งแขนได้โบกมือได้คว้างก้อนดินไปได้คว้างลูกคลุบไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมปรใช่สกในสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนกทั้งหลายบินไปได้ ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โครจรไปได้ดวงดาวทั้งหลายโครจรไปได้ผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายแสดงฤทธิ์ได้ชนทั้งหลายแขวนแขนได้โบกมือได้คว้างก้อนดินไปได้คว้างลูกกลุบไปได้แผลงฤทธิ์ได้แผลงสอนไปได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นซีรหสอดสองกชนทั้งหลายล้อมอากาศทําให้เป็นเรือนทําให้เป็นช้างได้ใช่ไหม ปอรใช่สกชนทั้งหลายล้อมสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งทําให้เป็นเรือนทําให้เป็นช้างได้ใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อกุดบ่อน้ำที่ที่มิใช่อากาศก็กลายเป็นอากาศได้ใช่ไหมปอรใช่สกสภาวะธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งก็กลายเป็นสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งได้ใช่ไหม ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อถมบ่อน้ําเปล่าบรรจุช้างเปล่าหม้อเปล่าให้เต็มอยู่อากาศหายไปได้ใช่ไหมปอรอ์ใช่สกสภาวะธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหายไปได้ใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้น462ปอรอ์ท่านไม่ยอมรับว่า อากาศเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสอกอใช่ปรอากาศเป็นสภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นอากาศจึงเป็นสภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอากาศะกถาจบ 7. อากาศโสสนิทัสสานติกถาว่าด้วย อากาศเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้463สอก อ, อากาศเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมป ร, รใช่สอก อ, อากาศเป็นรูปเป็นรู ป, ปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจากขุวิญญาณกระทบที่จากสุมาสู่คลองจากสุได้ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอก อ, อากาศเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยจักรสุและอากาศจึงเกิดจากหุ่วิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกเพราะอาศัยจักสุและอากาศจึงเกิดจากหุวิญ ญ, ญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่า เพราะอาศ pues, mm ัยจ nah. ักระสุและอากาศจึงเกิดจากขววิญญาณมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสปพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักระสุและรูปจึงเกิดจากขววิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สปหากพระสูตรว่าเพราะอาศัยจักระสุและรูปจึงเกิดจากขววิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า เพราะอาศัยจากสุและอากาศจึงเกิดจากขูวิญญาณ464ปรท่านไม่ยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้นช่องเสาสองต้นช่องลูกดานช่องหน้าต่างไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหากท่านเห็นช่องของต้นไม้สองต้น ช่องเสาสองต้นช่องลูกดานช่องหน้าต่างได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอากาศเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้โอกาโศสนิทัศโนติปถาจบแปดปทวีธาตุสนิทัสนาติอาทิปถาว่าด้วยปทวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้เป็นต้น465้อยหกสิบห้าสก ปฐวีธาตุเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปอรอใช่สกปฐวีธาตุเป็นรูปเป็นรู ป, ปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจกักรวิญญาณกระทบที่จักรสุมาสู่คลองจักรสุได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ปัทวีธาตุเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยจากสุและปัทวีธาตุจึงเกิดจากขววิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจากสุและปัทวีธาตุจึงเกิดจากขวญวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและปัทวีธาตุจึงเกิดจากขววิญญาณ มีอยู่จริงหรือปรอไม่มีสอกอพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สอกอหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจักสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจักสุและปัทวีธาตุจึงเกิดจากขูวิญญาณ 466. ปรท่านไม่ยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขามิใช่หรือสกใช่ปรหากท่านเห็นแผ่นดินแผ่นหินภูเขาดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าปฐวีธาตุเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปร ท่านไม่ยอมรับว่าอาโปธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านเห็นน้ำไม่ใช่หรือสกใช่ปรหากท่านเห็นน้ำได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอาโปธาตเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ปรท่านไม่ยอมรับว่าไดโชธาเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกใช่ ปรท่านเห็นไฟที่ลุกโผร่อยู่มิใช่หรือสอกอใช่ปรหากท่านเห็นไฟที่ลุกโผร่อยู่ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าไตโชธาตเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ปรท่านไม่ยอมรับว่าวาโยธาตเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้โยโครงอยู่มิใช่หรือ สกใช่ปรหากท่านเห็นต้นไม้ที่ถูกลมพัดให้โยโครงอยู่ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าวาโยธาตเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ปทวีธาตุสนิทัศนาติอาทิกาถาจบ๙จกขุนทริยังสนิทัศนันติอาทิกถาว่าด้วยจกขุนสีเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้เป็นต้น สี่รอกสิจ็กขุนสีเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมป ร, รอใช่สกจกขุนสีเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปธาตุ ascal. มาสู่คลองจากสู่ได้ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกจกขุนสีเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรอใช่สก เพราะอาศัยจากสุและจากขุนศีจึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยจากสุและจากขุนศีจึงเกิดจากขูวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและจากขุนศีจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่า เพราะอาศัยจากสุและรูปจึงเกิดจากขววิ ญ, ญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สอกอหากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและรูปจึงเกิดจากขววิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจากสุและจากขุนศีจึงเกิดจากขววิญญาณ468ปรท่านไม่ยอมรับว่า อินสีห้าเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสอกอใช่ปรท่านเห็นจักสุโสตะคานะชิวหากายมิใช่หรือสอกอใช่ปรหากท่านเห็นจักสุโสตะคานะชิวหากายดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าอินรีห้าเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ อยากขุนทรียังสนิทัสนันติอาทิกระถาจบสิ่กายกรร ม, มังสนิทัสนันติกถาว่าด้วยกายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้4ี่ร้อกสิกากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรใช่สกกายกรรมเป็นรูปเป็นรู ป, ปายตนะเป็นรูปธาต เป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวเป็นวิสัยแห่งจักุวิญญาณกระทบที่จักสุมาสู่คลองจักรสุได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกกายกรรมเป็นสภาวะธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยจักสุและกายกรรมจึงเกิดจักุวิญญาณใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกเพราะอาศัยจากสุและกายกรรมจึงเกิดจากผูวิญญาณใช่ไหมปรใช่สกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและกายกรรมจึงเกิดจากผูวิญญาณมีอยู่จริงหรือปรไม่มีสกพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและรูปจึงเกิดจากผูวิญญาณมีอยู่จริงใช่ไหมปรใช่สก หากพระสูตรที่ว่าเพราะอาศัยจากสุและรูปจึงเกิดจากขูวิญญาณมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าเพราะอาศัยจากสุและกายกรรมจึงเกิดจากขูวิญญาณ470ปรท่านไม่ยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลดูมองดูคูเข้า เหย็ดออกไม่ใช่หรือสอกอใช่ปอรอหากท่านเห็นผู้ก้าวไปถอยกลับแลดูมองดูคูเข้าเหย็ดออกดังนั้นท่านก็ควรยอมรับว่ากายกรรมเป็นสภาวธรรมที่เห็นได้กายกรรมมังสนิทัสนันติกระถาจบเรื่องสุดท้ายพืนทราบว่าเริ่มต้นแต่ปฐวีสนิทัสนะ จนถึงกายกรรมมสนิทสนะชัทะว์จบรวมคถาที่มีในวักนี้คือหนึ่งนิยามกถา 2. ปฏิจสมุ ป, ปาทกถาสาสัจจกถา 4. อาอรุปกถาหนิโรธาสมาปฏิกาถา 6. อากาสกถา 7. อากาโสสนิทสนโนเติกถา แปดปฐวีธาตุสนิทัศนาติอาทิกถาเก้าจับขุนทริยังสนิทัศนันติอาทิกขาสิบกายกรรมมังสนิทัศนันติกรถา